ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์พระพุทธภาษิตอัตนาวัตังป่าปังอัตนาสร้างกิลิสติอัตนาอากตังป่าปังอัตนาววิสุทธชิชติสุธิอสุธิปัจจตังนานโยอัญยังวีโซทะเยแปลความว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลไม่ทำบาปด้วยตนเองย่อมบริสุทธิ์เอง ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทําให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายความก่อนจะอธิบายพระพุทธภาษิตนี้จะขอพูดถึงคุณค่าสองอย่างเพราะเมื่อรู้ถึงคุณค่าสองอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เข้าใจเรื่องความเศร้ามองและความผองแฉ่อันเป็นของเฉพาะตนได้ดีขึ้นประการแรกคือคุณค่าภายในหรือคุณค่าที่แท้จริงประการที่สองคือคุณค่าภายนอก หรือคุณค่าที่มองเห็นเพียงผิวเผินขอยกตัวอย่างเรื่องคนคุณค่าที่แท้จริงของคนคือคุณค่าที่มีอยู่จริงในใจหรือในตัวของบุคคล น, นั้นเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมตตากรุณาเป็นต้นอันรวมเป็นความดีทำให้บุคคลผู้นั้นมีค่าเป็นคุณค่าอันแท้จริงส่วนคุณค่าภายนอกนั้นเป็นสิ่งพรางตาให้เห็นไปต่างๆอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ อย่างนี้ก็ได้คุณภาพภายนอกดังกล่าวนี้เช่นตระกูลอํานาจความมั่งคั่งอธิบายว่าคนที่มีตระกูลดีมีอํานาจมากมีความร่ำรวยไม่ใช่จะเป็นคนดีเสมอไปบุคคลทบาปเองย่อมเศร้าหมอเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองโดยจะทำใครให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมอไม่ได้นี่ท่านหมายถึงคุณภาพภายในโดยแท้จริงอยู่ในภายนอก การใส่ร้ายป้ายสีหรือการยกย่องเกินจริงย่อมมีได้และมีได้เสมอเสมอแต่ในคุณภาพภายในแล้วใครจะป้ายสีใครไม่ได้และใครจะยกย่องใครเกินจริงไม่ได้เพราะความจริงย่อมยันตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาสมมุติว่าในกถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรพยานหลักฐานที่กุ้ขึ้นของฝ่ายโจทก์ก็หนักแน่นนะันกนายกได้รับเคราะห์ถึงติดตารางหรือถูกประหารชีวิต คนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันแท้จริงย่อมพลอยมีจิตคิดลงโทษนายกอไปด้วยแต่ความจริงนายกอเป็นผู้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครจะทําให้ในายกอเป็นฆาตกรได้ในเมื่อนายกอไม่เคยฆ่าใครเลยในทางตรงข้ามถ้านายกอไปฆ่าคนตายไม่มีใครรู้เห็นนายกอรอดพ้นจากการถูกโจทย์พ้นจากตารางพ้นจากมือกฎหมายพิจารณาโดยคุณภาพภายนอกนายกอเป็นคนบริสุทธิ์ แต่ความจริงอันแท้จริงนายกอเป็นฆาตกรเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเหตุผลที่ว่าคนอื่นจะทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนตนเองเป็นคนรู้ว่าจริงหรือเท็จความที่ตนเป็นคนรู้นั่นเองทําให้ตนเศร้าหมองเมื่อทําบาปและตนบริสุทธิ์เมื่อมิได้ทําบาปคนส่วนมากมักกลัวเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องอาการอย่างนี้เป็นการยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของการตีคุณค่าภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองกว่าจริงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องประพฤติกระทําในสิ่งอันเหมาะสมแก่ตนเป็นความพึงพอใจและเป็นความสุขของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวอย่างนักกฎหมายบางท่านต้องการให้ลูกเป็นนักกฎหมายสืบแทนตน แต่อุปนิสัยของบทไม่ไปทางนั้นจึงเลี่ยงศึกษาทางแพทย์อันตนรู้สึกว่าเหมาะสมกับอุปนิสัยทำได้โดยไม่ยากเพราะมีความชอบเป็นน้ามันหล่อเลื่นอยู่คนอย่างนี้ถ้าหากินทางกฎหมายก็อาจเป็นได้แต่จะเป็นนักกฎหมายชั้นเลวแต่เมื่อมาทางแพทย์เป็นแพทย์ชั้นดีด้วยประการชนนี้ถ้าใครไม่เอาใจใส่ตัวเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่อง เสียบ้างแล้วดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแห่งตนก็จะหาความสุขความพอใจได้ง่ายขึ้นความดีหรือความชั่วของแต่ละคนย่อมไม่ขึ้นอยู่กับการว่าหรือไม่ว่าของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตนได้ทําหรือไม่ได้ทํานั้นต่างหากเรื่องนี้พระศัสดาทรงสแสดงขณะที่ประทับอยู่ณนะเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารลอุบาโศกชื่อจุลการ มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องจุลกา a กความว่าโจรได้ลักทรัพย์ของตระกูลหนึ่งไปเมื่อเจ้าของติดตามก็ทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังคำในเชตวันวิหารตลอดราตีแล้วเดินออกมาในเวลาเช้าโจรหลบหนีไปเจ้าของซับตามมาเห็นทางนั้นเข้าใจว่าจุลกา a อุบาสกลักทรัพย์จึงจับเขาไว้และโบยหมู่หญิงคนใช้ทูลหม่อม ไปตักน้ําในเวลาเช้าได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงช่วยห้ามและช่วยพูดให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกเป็นคนเช่นไรย่อมไม่ประกอบกรรมทําชั่วเช่นนั้นพวกมนุษย์เชื่อจึงปล่อยเขาไปเขากลับไปวิหารเล่าเรื่องทั้งพวงให้พิสูจน์ทั้งหลายทราบพิสูจน์ทั้งหลายทูลความนั้นแด่พระศัสดาพระทศพันเจ้าจึงตรัสว่าจุลการอุบาสกได้ชีวิตเพราะ พวกกลุ่มพทาสีและเพราะเหตุที่ตนมิได้ทำอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำบาปเองย่อมเศร้ามองเองเมื่อทำากุสลย่อมไปสู่สุขติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธ์ ด, ด้วยตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลทาบาปเองย่อมเศร้ามองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาได้ไหม มีในยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาจุลการอุบาสกดำรงอยู่ในโสดาปฏิพุ